Bye. <laughs> ให้เจ้าเปนของเรานำไปที่ใจแมจะขจิตใจของตัวทีควร็มีความสุขความสบายหีเมหลงโลดเลกประมาททำกันสองครั้งใเจ้าเป็นระกุศเป็นเรียงใจสาหรับแก้เมล่อจัดใจใจของเราเมี่อเม่อ หลงลอตามอารมณ์ต่งเกิปต่างๆทางศาสนาาธรรมะจึงแกไเใจทแบบนั้นใสลั่งสลายจเเห็นจไม่จึงต่างๆตามเป็นจขึ้นม่งเห็นจนไม่จริงนันทำหลอยอเนื้อตัวนั้นสูญชื่นนชื้นมเป็นเป็น เสียใจภายหลังฉะนั้นทำมอควัสุดั้มือันน้ำาทีจมาจำบ้า่จำชีวิตัวอย่างยเราตวเอาเพียงนะฮะจำมาทำที่เามาเนี่ยที่เจ้ามาเอยังพ่ังาเวลาำมาเห็นแรงหน้ตืนเต้นเวลาที่จำมเห็นเวเพียงื่นเตนา้มเห็นมาน้าอฟเฟตนาตื่เต เปนเหี sea, ite, ่ยงไตเป็นศพแมาชี่ันเป็นภาษาส่างชาตเป็นภาษาบาลีถึงเราไม่เคยศึกษา้วสอรได้ไได้ว่าเป็นอะไรจกความต่อเข้ามาเราเคยเสือจไปกองทัพนึ่งเ่นแบบเรามีความเสียเป็นธรรมดาแตเรื่องของความเสียต้อเลยได้ เวลาบินเวลาใช้เวลาเนื้อเวือดเราว่าเวลาตัดเวลาบุกคนเวลาเปลี่น้ายภูเขาเกิดมาแล้นมีการแก่จนธรรมดาเกิแก่เป็นอื่นแล้วก็ม่เคเห็นไปจากแทดเดินในจิตในใจสทดไม่ไขยคิติดตามเรื่องเหล่านั้นส่วนัูเขานานข่าวนี้ต่อกกับพังลงใป เหมือนกานกับชีวิตของตับของบุคคลหรือเพื่อความแก่ที่สิ่งเพิ่างมีการเกิดขึ้นกามีการแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนนั้นคือความแก่ไม่ได้ลบเลือนอะไรทั้งหมดทางเหนืนือมัเป็นอย่างหนังงานเข่ามันจะเป็นไปอีกอย่างหรือเพื่อความแก่ความแก่นี้ จนถั่วไปสับถั่วไปไม่มีใครสั่งการใหมีใครตาสนาแต่คามกในทางศาสนาทางปฏิบัอยู่สองดังที่จิดบางอย่างจะเกิดเผยอย่างจะจิบางนั้นไหนที่เด็กที่เกิดขึ้นมาจากทันั้งมารดาเราถือว่าเด็กนั้นจะเริ่มโตแต่ความจริมันเจริญมันปิดบางตาเอาไว้จะสิ คนทั่วไปหลาถแหนคือเหมืนันเติบโตขึ้นมาส่วนนยเป็นเดกหรือเป็นหมือนเป็นสามันชอบใจมันยินดีในความแฉะทั้งตัวแต่มันขึ้นไปที่กกับเงินไปน้นมันหาน็มีสายเงนก็มีฉันรสึกก็เที่ยงจากเที่ยงแล้วไปเยียาไมนี้ชีวิตทังคน ถ้ามันเจริญเติบโตทั้งที่หมายถึงจะวันมันจะดายไปนั้นกันแต่กลมงนความเริญใถากหันทังบคคลแก่ปกินั้นหมายถึงแก่เถื่้วชอบใจแก่เถื่อนยินดีเลี้องไสในเสียใจในความจะองเตี้ายากจะเป็นหนึ่งเป็นสายู่แล้วเป็นหนึ่งเป็นสาวทั้งที่จากนั้นนั่จะแก่เปิดเย จะเปหมายถึงผักขันที่เราเคยมีเยอะแรงเคยเติมสังเคยมีกาลังอาหันํางานไปแก่ไปมันเป็นอย่างนั้นผักขันว่างไปมันเสื่องไปกาลังมันจางในตัวเคมีตา้อกับเนือหนังขาไป นอะไรมาใส่ขนัดเย็นให้มจะเคยีกว่าตึ้งเขาเนที่สุดก็หนวกนางขันบางคนผมจอยู่เบื้องสีตัดเคยดดดจนงานกับกับมากับขาวเขาจำอยูเคยม่งเคยต้งเหยือหยดอะไรเหยืสะดาเห่ตายมันก็เอะยื่ทองที่สุดก็หลุดเมืองเมืองน นเสนเวลาดันยนดนไปเหืนี่เหมืน้เหมือหน้าเชื่อตัองตัวเองตั้งนไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ถ้าคนอื่นเป็นเหยือรักีกใจใเราจะตาสอนเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วกมีาัญหาอีกนหการการเปี่นี้มาจากทางเกิด คนมีเกิดแล้วจะั้องมีเสียเป็นธรราดาถึงจะมีหยุดามีเยอะขนาดไหนในสมัยตะจี้บ้างอวดแผลสัตว์หรือจะเรียนดังนั้นเรียนดังนี้ก็มีทางที่จะแก้ไขให้แก้ที่หมดใจจัดล่างกายจากโลคได้เพราะคนมันมีอะไรนิดหนึ่งจนยันต่างๆอันนี้มีเสียไปเอาอะไรมาใส่เพื่ออะไรใส่ตัวนี้ทั้งเดิ ฟังฟังนิดเดียแ่นี้แะางนีตามเดิมของเราขาตามตรนี้กันอย่างนี้เชื่เราเนื่อเดี๋ยวนี้พี่เจนอายแล้วเมื่อไปสดพบเข้าเราจะเสียใจเพอมจากานะสเจนเองตงกันคือตงจนี้ จต้องมีทางที่จะแกไขคับไล่ให้ิหลนี้นี้ไปได้้ามนนไปจะเห็นไปทุกการทุกขณะทุกย่งทุกเวลาความเสียันแพง่นติดตามมาทุกระยะทกเรื่อหายใจแต่เราจากไปจักสติปัญญากไปจักธรรมะเรื่หนึ่งความเสียเหล่านี้มาที่นี่ที่เจอมามันเป็นของธรรมได้ ไม่จริงตื่นเต้นจริงเสียใจอต่เห็นว่ า, าเป็นของธรรมดาแล้วเราเป็นเข่าเห็นเท้าเราก็รื้ว่าเป็นของธรรมดาเห็นขาดขันจิตใจนั้ น, น, น, น, นก็ไม่รำไรไม่ตื่นเต้นทวามเ็บข้ก็สื่อสารต่อไปก็ท้งานเดียวกันทุกคนเกิดมาหาญาติเพื่อ เ, เกคนจริงใจมีความเจ็บไข้ ดีน้อจะหาไม่ใครจำได้ในพุทศาสนาสาโยกของพระพุทธเจ้าของเราท I I ่านเคยเจ่าเอาไว้แบบพระสายกขงท่านเกิดรับเอตภะทะพระยกย่างมันไม่ีความกิข้าแต่คือพระอะไรชื่อเรื่องอะ ถาเองมีชื่ออะไรมีอายุยืนตั้ง้อหกสิบปีในตำลักมวาถูกเกิดมาไม่เคยมีความเข้ามเดนิยจะไม่เคยเกดท้งเกิดมีเกดเปี้ยจะไม่เคเรอชื่อันนั้นมีเองเยอตรงนั้นเนี่ยในศาสนาทัสาี่มพระนาไง หลายเหลืองเนี่ยเขอได้จ่ายเองก่อนมีการเจ็บไข้ากพระองค์มีเจ็บไข้เ็จถึงวันเสาร์ปีนีพานทั้งท่านก่อลเนลไปเฉยโดยไม่มีความเจ็บปวดอะไรนี่มีองคเดียในศาสนาเเขาจะได้จ่ายพวกเราหน่อยจังนั้นทุกคนไม่่เป็นข้าราชการ่ว่าเป็นนักเรือย มีความเจ็บไข้ประจัธาตุขันความเจ็บไข้เป็นของตัวจากพนะไนล่ะใครทีหมดเ้าความเจ็บไข่มีใคร้องการต่นั้นเมื่อเจ็บไข้เกิดขึ้นโรคเหยเรื้อรังกาเกิดขึ้นความเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่ขวัมนทาง ของมีค่าต่างๆจะต้องไปหาว่าเปลี่ยนหยดยามารักษานำหมามารักษาถึงจะหมดเข่าแข้งงอแงแม่ตายกลางขนาดไหนจะยังเสียสลักถ้าหงอยหงอยอย่างนีปตัวผลขาดขันหรือว่าขาดขันอันนี้หนูมีอยู่ก็จะได้ใช้สายทันคุณทัประโยชน์ต่อไปยังเสียสลั ข่ของเงินทงต่างๆเราแสวงหามาก็เกื่จะรักษาหากขนเหยืยืมอยาลบากทำาม่ไยืมเพินไม่ได้อยู่แสดงหานะข่ขังเงินทองมาก็เพื่รักษาขากขันเไว้หนึ้งเก็บไข้หนสบายเกิดขึ้นยอมเสียสลเงินทงควรม้ข่าต่างๆนารรักษา แต่มันหนายวันนี้วันหน้ามีน่ามันก็เกิดท่านอีกมันเจ็บไข้ได้ทุกมันเจนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่หรอกทุกเน้นตังแต่พี่เราเกิดมาแต่แกมทีท่เราไม่เกิดมียาตาเทืที่เราไปที่ไหนก็เพราะการเจ็บไข้ทำทยิงยิงไม่ได้ทำยิงตายไปมันก็บนเบ่งอกแต่ที่นี่พิจารณาอยู่แล้วไม่ใช่หรอก ไม่เคยมีนาแต่งใจตัวของเราหรืออย่างนี้ของเราความคิดนาแต่งใจไหนแต่ใดกานเกิบไข่คนเกิดมาจะฟังระสดพบเห็นกันโดยเฉยใหญ่การเกิดไข่จึงเป็นไข่สำคัญสาหรับใจแ่ในที่จราต่าเกิดไข่มีนจนธรรมนาดายในชาติในจิตในใจตามคามเป็นจริงเานน ใจก็เปรียนตันเบียดร้อน่งยโ่ใจโกไปต่างๆนานาโของใจมีโตของใจก็เกิดขึ้นพระธรรมอุปัายนะธรรมะอใจมันจึ้งใส่หนัใจจึงเดียดร้อนแต่นั้นสำัจึงสอนหนังจึ้งอุชนไปจัันวทปัชานิ่วปัาบ คืยอยังมาอยู่จิจตนน ใ, ใจรู้เข้าใจตางค์จริงจริงนั้นมันเกิดขึ้นแต่ไม่จริงเส้นในเรี้ยนนงไหลถ้าเข้าใจตังคริงเท่านีมนกจากนั้นเรมีความตายเป็นธรรมดาจะเลี่ยงเพิ่มามตายได้ไม่ได้ในว่ย า, ายิม้มลายใช้ในว่าใช้ทห้หมดควรจะทำเชื่อทำเสียขนาดไหนกว่า ต, ตายควรจะทำดี ไมเจตนาไหนกว่าตายจะอยู่เฉยเฉกว่าตายตวามตายนี้เป็นของตจยจังเยอะท่านเกิดอีกนี้กันถ้าเราเกิดนี่ก็หนีตายเกิดมาแล้วไม่อยากตายนั้นมันเป็นธรรมดาของคนของสัตว์ที่มีเกี่ยวปัญหาพอเยี่ยตายจะมาถึงเขาไราวปาตัวมนุษย์ที่มีสฏิปันญาแม้แต่สัตว์อยู่ในตาย อยู่ในน้ำก่อนห้ึงง่งกันอรมีอันตรายเกิดขึ้นมนกลัวตายมันวร่งหลดหาทางที่จะเอาตัวรอดแต่เมื่อก่วรดไปได้เสียระยะเวลากามตายนั้นนันจะทำให้ทุกเพื่อนเหรือว่าสัดต่างสัดว์นั้ น, น, น้ัตวบสัตว์นุัด์ัตวิ้กันตายกันแล้วแม่นมี สู่ทังคามตายังสัตว์ของมนุษย์ท่อโลกนจะนัดเหนื่ยัแขวนเหอยด้แต่ไดาเหน่หับหิวกับตาของเราเท่าไรเนื่อหเท่เราเลยน้มยินมเยเด็กชิดเด็กนี่นี่ิตเรียนเนี่ยเรื่องถึงตัวข้งเราเท่าถึง็นรักของเราเท่าถึงสิ่ถึงอยานี้ของเราเท่าเรจึงเฉลยหน่ทำาตายกันเนอื่นจัดอื่นทุกอยูมีแตมา เออคนนี้ทำไมมีตายาตกันมาทึงจนจะเยี่ยทั้งตัวถึงจะเยี่ยทั้งเราจิตใจก็ไดยใส่หนัเหนึ่งลาความตายมันมีนนไปจำมาจากไหนจะอะไรไม่ว่าผู น, น้ยผู้ใหญ่ไม่ว่าใครทั้งหมดเกิดมื่แล้วมันจะต่างตายน่หนุหน่ยที่เจ น, นะเอาไว้ใจมันจึงเต็นเต้นเต้นเสียใจ ยังไมมีทางใดที่จะแก้ไขทัหมอจะไหนจะรักษาดีขนาดไหนหายเลกนี้โกมมก็อเกิดขึ้นในตายวันนี้วันหน้ามก่ตายในตยเย็นนืเยนหน้ามีหน้าไม่ก็อตายมีใครที่จะนี้อได้หมอเองก่ในจะทางที่จะรักษาไม่ให้ตายเพรากตายมันเป็นของธรรมดาอาจิตใจเดกที่นี้ที่นะ ใจขนาดแทบเย็นอย่างนั้นมันก็ไม่ตื่นขึ้นถึงการถึงเวลานะก่อนาตายมาถึงแล้วอยากให้เราตายเนาะเนี่ยใึเราตายเนาะมันจะมีอะไรถ้าถใจแทบเ ย, ย็นจะเกิดมาแล้วมันตั้งตายเราผูกที่จมาเขาเราฝึกอยู่เยอะนี่ต่ออยู่แล้วั น, วนตายถัไม่ใช่เราเป็นยืนขันตาในรันใดวันหนึ่งข้างนาเราตั้งตายอยู่ท่น นี่คือความตายด่เราท่านนนานๆที่นิจจนาสอนใจของเราไม่เตืมเส้น่เยเสียใจ่เยทิงต่างทิ้สมัยทิ้งยันขึ้นเวลามาี่ยเรงสต่อไปอย่าเราจะได้พัดพลาจากขังรักขฉอบใจเนื้อใจขังรักขังเใจที่ใจเนือมันก่สมเนือเดตัวเครื่องตัวไหนได้ แต่๋ยางานี้รู้สึกยาเป็นของรักคองใจน้าสีสิ่งเถ่อใ จ, จนี้วถ้าเนอย่านั้ที่อัตตาพนังเต็มังาำรักอื่นเสนอเดยรักตนหนีทำรักนนี้รักมากตาแต่ละลูกถึงคนมาซื้อจนหายล้านคย้มขายน่มือก็ดีแขนขาก็ดีใคาจะมาซื้อแะนั้นแถวนี้ได้วใขาย นิสัยของเราจะเหมือนกันก็จะมาตัดเอกไปจะให้แถวนั้นถึงนั้นไม่มีคามไหนถ้าเราตายไปแล้วเงินทางเข้าของมั้งจะมีหน้าไมตายแปลข่าดไหนนันก็ไม่มีทวามไหนแต่เรามีชีวิตอยู่ถึงจะอดอยากอยากจนเราจะมีทางที่จะแสงหาหรือว่ชีวิตที่เป็นอยู่เป็นของสัมพันธ์ยื่นไปขาของเงินทางเส่ยงอื่นถ้าเราแสวงหาได้ อะไเรยังห่อยตายตายเราตายจะได้เขาับไม่มีสมหยแต่นั้นอะไรละทุกื่อนตัวของเราทุกื่วนยังเป็นของที่มีคุณค่าพระราศูน์ในยอขายใยนใครเงี้ น, น, นเี้ของนอ ก, กตัวแตจึรับตัวน่รักหน้ากันรักสิ่ไปในโลกต่ในตัวตอย่างแตนั้นจริงๆมันก่นหมดความหมายเหมือนกันอย่างนี้อะไรที่จะมีสมายในโลกอันนี้น เอาไว้เจรพระธาจากขยัของชอบใจแต่ตัว่ครองเตือเอียงไปเจริดจากใจอย่างนั้นจะทาอย่างไรกันทาศาสนาท่านพิารณเอาไว้แต่เราไม่จเป็นของขอกลงจำก็คือการจัดทาทำเดรัจยเกย่ยวกับายกรรมทำเดรัจจาเดรัยี่ยวกับวิจีกรรมทำเดรัใจคิดเดรย์เก่ยมโนกรรม เป็นเราหรือตัดผัวไปมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นที่เห็นผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีท่านสาวไว้เพื่อจะให้คนทัวไปหลักที่นี้ที่เจอมากรรมกคือการจะทําการพูดการคิดอย่างที่พูดมาหลักายกรรมและมีการมโนกรรมกรรมนั้นมันมีอยู่งอย่างคือกรรมดีกับมีกรรมเชื่อคนกรรมดี กว่าเป็นของทั้งตนการเชื่อกว่าเป็นของทั้งตนเมื่อทำลงไปแล้วจะไปหยิบยกให้คนอื่นไม่ได้การที่เราทำไว้จะให้ผลแต่เป็นของตนถึงจะตากถนาหรือไม่ตากธนาการนั้นเราสร้ า, สงรางอะไรทำอะไรไว้จะได้รับตามอยนั้นจะหนีไปไม่ได้ในว่าในเชิงในเชิงกรรมที่ตนทำเอาไว้แต่เราทุกคน ยังยันได้า ต, าตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารปารถนาความตกความสบาความมีความหลุบเดยกันเท่านั้นในปาถนาเป็นคนอาภัพอัปปัญญาในปาถนาความอดอยาก <c oughs> อยา ก, าก็นเมื่อราพิจาทํากรรมที่ทำอะไรเป็ น, นที่เหตุผลเราจะละเล้นจากคัามเชื่อที่ตในปาถนาจะจะทำบันเทิงกรรมดี อยู่ตรงกลางกลาเอาไว้นี่คือตาเนื้ออนใจท่องตัวเมื่อพิจาราถึงเหย่อเราเกิดมาจะเป็นตาตายได้จะไดยา่าท่าจากสิ่งเถื่อไปในไทยติจะหอกหิวหากหามเข่าขงเงินพลอน้ำฉองไปได้คนอื่นจะรักให้ขนาดไหนเขาจะทำเป็นเซ็งได้แต่เพียงตาช้าเพียงเตาเข่ถนั้นจะเป็นเ็รา ให้ไปถึงสถานีพานให้ไปถึงพบชาติอื่นเขาเสงมงได้แต่กรรมที่เราทํามนเช่นนั้นสา้ารถทีจะเสงเสียเราได้ไปถึงจุดหมาอปลายทางถ้าการมชั่วถึงตัวเนี่ยจากฐานะเรอยากจะไปเกิดในสถานที่ชั่วที่เสียที่ทุกข์ที่ยากที่ลำบากอย่างนี้อย่างนีเแต่ตัวําะอะไอ้ ในศาสนาตะจำเป็นต้งตนองใสนเ้อนกันกับคนที่ทำเชื่อมีโทษมนตัวในศาถนาอยากจะไปเข้าหลงขังในศาถนาอยากจะไปจิตคุก <c oughs> จิตราลแต่ถ้ า, า, าทำเชื่อทีตัวต่างเอาวทำเอาไว้ถูกเจ้าหน้าที่จับได้เขาจะบังคับไปนั่นีเยนั่นเหมือนีเตยนี้เฮ้ยนีอิอสตะ ไปมาเสียดสบายเมื่อถูกจัที่จับตงคุมตัวแล้วไม่มีโอกาสเวลาอยากจะมาเยี่ยมยีดานาอยากจะมาเยี่ยงหยุดพยายาหรือสางนี้นั้นมีอิสระที่จะมาถ้าเรามีโทษมีการเชื่อขีตัวแทนได้ผลผลไปจับในหูในตาในจิตในใจถ้าหาเจามาแล้ว จะไม่ควรทความชั่วนั้นเป็นอันขาแอย่นั้นด้านกฎหมายหาจย่างในในจับกลุ่มคนอื่นมาเห็นม่นก็มะเป็นโทษสำหรับในตัวของเขาแต่ทางศาสนานั้น ม, มีเมียี่วที่แจ้งการถือทเทํทาทำโไปนั้นจะทนอยู่ในป่าใ น, น, นเขา มีใน e ี่ลับมีใเห็นไหแต่ก็ถ้าเป็นการเชั่วการเชื่อนั้นก็ยังเห็นผลถ้าเป็นการมีการดีนั้นจะเห็นผลแต่จากมีในจิตในใจทั้งคนคือเลาเล่นขึ้นในทางเชื่อทางเสียนั้นเราจะตั้งอเช่เองาจะเสียใจเหตัวเองเราจทำเชื่อผิดเชื่อคิดเชื่อการดีหเราจะเอะไร อยู่ในป่าในเขาหนทุกทเป็นเพื่อนมูเห็นแต่เราโดยทำตันดีในยสิ่งนี้สิงนี้เอาไว้โดยเฉพาะดูการภาวณาทนจิตทงใจเราจะอยู่คนเดียวในถ้ในเขาในตาลึกๆเราจะไปภาวนาละชื่อทีนี้พิเดนารขับไล่อาเรนมัญนยาออกใส่ใจได้สงด ใจเย็นสบายเด็กเคยเห็นเคยเป็นมาก่อนน้ำสงบน้ำสบายอย่างนี้แต่เราไปอยู่ในสถานที่นั้นเราไ่ทนอย่างนั้นอย่างนั้นจเราเบาสงบเป็นอย่างนั้อย่างนั้นรยะขณะนั้นขณะนี้ประทับใจอยางเราสงบเราสมาถึงอย่างนี้ หลักฐานพยายามเป็นอื่นว่าตามใจใจที่เราก็ะชาความเป็นของเราวันนี้ศึกอย่างไรมันสบายอย่างไรมันสงบอย่างไรเข้าใจอยเชื่อกังดีมีให้ผลจะจากชัดเจนในตนขั้งจนแต่ตนตนนี้เจจุบังทุกยังนี้โดยตนใหญ่ที่หยุดขาดการศึกษาธรรมะหาดการที่มเจนาหลักเกิลผล เขาเท่ะกับทำหนักใต้นหนักทำดุนในต้นดุนไม่ค่อยได้ที่นี้พิจารณาอะไรเข้าใจตัวอย่างนึงท่านที่เตี้ยเองนี่คุณที่พิจาราหลักของการนะจริงใแหลักมันเป็นอย่างไรวองผิดหรือสองถูกอย่างไรเหนื่อยงอนมาที่นี้พิจารณาจนมีคำพันเพลยกับคำพูดกันแต่ทาดีได้ดีมีที่ไหมทำเชื่อ ดีดีถึงไปอยู่ในวงการศึกษาในสมัหนึ่งสมัยปัจจุบันนักพกันแบบนั้นพราะในเด็คิดหาหลักโยมเหตุผลจีิังความเพียรทดีอย่าดีทำเชื่อย่าไม่เชื่อทำมะ็นอตาริโก้คือมีตามีเวลาทาเชื่อทำเสียคิดไปทางกายทางวาจา ผิดเสียงผิดทำตัวผิดตัวไม่ทาบตัอตา ม, มาหารทราบตัวตามแต่ระมาทางไปกว่าจะเห็นผลคนทั่วไปเขาหน่อยสังเวเสื่มเขาไม่ไนไมยนดีเขาปันนิคคนผิดผิดเชื่อทำเชื่อ็นมีกฎหมายบังคับบัญชาคนผิดรับผิดแต่หรือ ขวัญขี่ขาดดีต so ่างๆมีเถื่อนมีทุกถูกทุกจับคุ้ค้ขังคุ้งขังได้ิตคุกจิตเวลาอย่างนึ่งเกเราผ่านเคยเห็นกันนอกจากนั้นเคยทำดีที่ว่าในรื่ดีนั้นมีกามีความจงอีกนึงกันคนทำดีมีสินทำต่างๆต่างละแพร์เสือเชื้อต่างๆออกจากกาจากายจากทั้งตัวประพฤติแต่ความดีอยู่ตลอดเวลา จ็นจะอยู่ในต่างในเขา อ, อยู่ในสถานที่ใดก็เหมืกันท่านที่ดำ่างนั้นทำยันเสียสละกทำเชื่อะะออาจากตัวจริงจันไป อ, อยู่สถานที่ใดก็ยังมีคือเหลื่อนใส่ศรัทธาอย่างง่ายสุดที่จะเห็นเป็นพยาหลักฐานในปัจจุบันนั้นก็้นพวกนักบว่ยนเสียสละ ไข่ขวันเงนทางยันเสียสนะ้านงช่องลูกเตี๋ออกมาตะพุ่งตะที่บัในศาสนาตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลอย่างจีิจัตั้งหน้าตั้งตาแล้วรักษาจิตในจิตใจในทางวิเลี่ยงหาทงโลกทางเสือทางหลงรักษาล้วให้ใจนั่งคง แน่แน่ม่แน่อาจไม่ท uh, ำ็นม oh. ีปัญญาสาระตัดขาจากอารมณ์ปัญญาเสด็จปันหาต่างท่านเองนั้นท่านผู้นั้นจะมีประกาศว่าถ้าพาจ้เป็นคนดีเป็นคนมิเศษกว่าตาแต่โลกทั่วไปเขาจะทราบเขากเข้าใจเยี่ยงใสโดยในต่างไปทำนาท่าขายตามงานอะไรเพียงแต่รักษา กายใจใจทั้งตัวเห้บริสุทสิ์แผ่นนั้นก็อย่าไปคิดว่าท่านจะอดอยากากจนท่านจะตาเพราะความมีการมีงานจะหันหิหนึบเหนื่อยเพราะความอบความทนสร้างขึนมาทำดีอย่าไปคิดอย่างนั้นท่านนั้นหลักลัคาเขาเขียนเยอะกคนอยากจะไป่าไปว่าอยากจะเอาเข่เอาของให้ มีชาความดีทั้งท่านยิ่งั่นเกิดจากความเชื่อหรือเกิดจากความดีมันเกิดจากความดีหรือไ่หรือมีคนพ่อไปไม่วลาจะไทยแต่เท่นี่จะเทวดาไปยังตามรักษาเพราะทวามดีทั้งท่านยืนอยู่ในตัวทั้งท่านท่านจะไปจากทัไในจิตในใจทัท่านยิ่งคนจิตทานความดีเห็นความีก็เกิดขึ้น แต่จ้าหรือเล็นั้นนันก็เน้นันกับเราปลูกพันธุ์ต่างๆอย่างตกผัก้าก่อนไอีว่าทีว่นมั่นก็แ่เจ็บเกี่ยวกินได้รักตุกมะพร้าวขาเหนียอย่างนี้ก็เป็นหลายปีแต่มันจะเป็นเราออกผลแต่มันจะได้ออกผลมาเป็นเมืในตายมันเกิดผลให้ ไม่รังไดจะดยังหนีหนีความดีที่เราสร้างเสร็จในใจใจของเราก็ทำานเดยวกั น, นไม่รังใดจะยังหนีมันจะเกิดผ็นห้ถ้ายนใจจะทำงานผลมีหมายถึงธรรมะในอวิชชาที่ทนะทเราสอนเอาไวไ้ว่ารมีตมังโดยของของตนทุกคนจารนาความดีเหนื่องเย็นหน้าใจเกิดอยู่ในรัตตสังสารนี้ บางการจะได้เก e. ิดในสถานที canal, ่เหมาะสมการอยากจะได้เกิดในสถานที่ดีมีความสตลดถึงว่งก็อากจะขอนคนนเป็นหญก็อยากจะเป็นงานงโลกของจักรยาางกอย่างน้็นก็อยากจะลเ่งาหญไปหญายหงก็บ ให้ยินดีต่างๆเรานึ่งคนที่นี้กี่ปัญหาปัญหาอย่างนี้ต่เหตใดๆไล่โลกนี้ตรงไหนหนึ้นทันท้ง่เปิดม่คำเดียวกัน